จะทิ้งรู้เท่าทันจิตใจของตัวเองพวกที่ตัวเรานี่แนะคิดไม่หยุดพูดไม่หยุดมีกิเลสตัณหาไม่หยุดรู้ท้อทันมันอย่าลงไปตามมันรู้กายรู้ใจของตัวเองตลอดเวลาอย่างอยู่ในที่เนี้ยธรรมชาติเตจะเงียบสงบสงัดไปทั้งโลกท่าตุเสียงจริงหรีดเสียงจักระจันเสียงไล่ไลเสียงกบเขียดร้องกันแต่ธรรมชาติก็เงียบสงบ ในทำกลางเสียงสัตว์ทั้งนกทั้งตับเล็กจับน้อยร้องกันแต่ธรรมชาติก็เงียบสงบสงัดได้ลมก็พัดมาชื่นใจเป็นระยะระยะจะเห็นว่าใบไม้ก็ไหวไหวไหวไหวแต่ธรรมชาติก็ยังเงียบสงบสงัดอยู่ได้เสียงสรปสัตว์ร้องไปละเงงไปหมดแต่ธรรมชาติก็เงียบสงบสงัดได้ ภายในจิตใจเราก็เหมือนกันแม้จิตใจถึงเป็นขันห้าเขาจุกจิกจุกจิกจุกจิกจุกจิกจุกจิกแต่ใจก็เงียบสงบสงัดอยู่ไ <Gren> ด <ier> ้ให้มันรู้อยู่นี้เนี่ใอ้มันรู้อยู่อย่างนี้แน่อย่าไปปรุงแต่งอะไรเข้าอย่าไปหลงปรุงแต่งอะไรเข้าให้มันรู้อย่างเนี้ทั้งภายในและภายนอกใหมันรู้อยู่อย่างนี้ในความเงียบความสงบความสงัดความว่างเปล่ามีความเคลื่อนไหว อยู่ในความเงียบความสงบต้องภายนอกภายในให้มัอยู่กับรู้อย่างเงี้ยรู้อะไรกับรู้ตัวเหล่านี้เนี่ยที่คิดจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุกบไม่ใช่ว่าไปไล่รู้ได้รู้อะไรนะอยู่เงบเงียบอย่าไปปรุงแต่งอะไรฟุ้งซ่านอะไรเดี๋ยวมันกับรู้เองแน่ว่าภายในกายในใจเราเนี่ยมันจุ๊บจุกจุ๊บจุกจุ๊บจุ๊ตลอดเวลาแน่แต่ใจไม่เคลื่อนไหวไปตาม ไม่ยึดถือตั้งการยุ่งยิบุ่ยิบไม่ยึดถือตั้งใจที่ว่างเปล่าแค่รู้แค่รู้อย่าท in ิ้รู้อยู่กับรู้อยู่กับรู้รู้ว่าในความสงบมีความเคลื่อนไหวรู้ว่าในความว่างเปล่ามีความเกิดดับรู้ว่าในความสงบมีความเคลื่อนไหวรู้ในความว่างเปล่ามีความเกิดดับไม่มีใครไปยึดถือตั้งความเคลื่อนไหวไปรังเกตความเคลื่อนไหวไปดิลนพักสายความเคลื่อนไหวไม่หลงไปกับความเคลื่อนไหวคือไม่หลง คิดปรุงแต่งไปแล้วก็ไม่มีใครไปยึดถือความว่างอยู่กับรู้แค่รู้สัตตวารูว่าในความสงบมีความเคลื่อนไหวในความว่างเปล่ามีความเกิดดับถ้ามันอยู่กับรู้สัตวารู้มันมีความเบลอไปแต่มันยังมีความ ถ้่มันไม่สามารถสักต่วันรู้อยู่กัรู้กายรู้ใจตัวเองรู้ขันห้าที่มีความคิดปรุงแต่งตลอดเวลารู้ว่าใจมีความสงบและว่างเปล่าในความสงบว่างเปล่ามีขันห้ามีจิตที่ปรุงแตง่งเกิดดับเกิดดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับถ้าเราไม่สามารถอยู่กับรู้สักต่วันรู้รับรู้ด้วยความปล่อยวางไม่มีตัวเราลงไปปรุงแตง่ง ร, รู้ปรุงแตง่ง ว่าความปรุงแต่งเกิดดับอยู่ในความไม่ปรุงแต่งถ้าเราสามารถอยู่กับรู้สับตะวรู้อย่างนี้ได้เราก็อยู่กับรู้นี่เลยถ้าเราไม่สามารถอยู่กับรู้นี่ได้ไมันคอยจะคิดปรุงแต่งฟุ้งซ่านไปเราก็ช่วยให้มีสัพจัญญะความรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ แล้วก็อยู่กับรู้หรือเห็นความจริงว่าในความสงบมีความเคลื่อนไหวในใจที่ว่างเปล่ามีความเกิดดับเกิดดับอยู่ใน ใ, นใจที่ว่างเปล่ารู้สอบตะวันรู้ให้รู้สึกตัวไว้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธเป็นเป็นฐานเป็นฐานไว้ไม่ให้หลงไปกับอะไรการตั้งเติมแท้ๆหรือใจตั้งเดิมแท้ๆเนะี่ย ไม่มีตัวตนไม่มีลบล่างไม่อาจจะสังขารปรุงแต่งได้ก็เป็นวิสังขารเป็นวิสังขารเป็นอสังขาตถาภัปรุงแต่งอะไรไม่ได้เลยตัวตนไม่มีไม่มีรูปพันธสัมพานไม่มีกิริยาการได้แต่สิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ภายในใจทั้งหมดที่มีกิริยาการทั้งหมดเนี่ยที่เป็นผู้รู้แม้แต่ผู้รู้ที่คิดได้นันนแหละมันเป็นสังขารเป็นสิ่งปรุงแต่งทั้งหมดเลย ไม่มีใครเป็นสวยไม่มีใครไปยึดถือสังขาร ห, หรือสิ่งปลงแต่งนั้นและไม่มีใครไปยึดถือใจที่ว่างเปล่าใจที่ไม่เกิดดับมันก็เลยธรรมชาติมันเหลือแค่ใจที่วางเปล่ากอบสิ่งที่เกิดดับเกืดอดับอยู่ในใจที่ไม่เกิดดับธรรมชาติมันเหลือแค่สองสิ่งนี้ถ้าของแจกเอาตัวเราไปเพ่ง เอาตัวเราไปพยายามรู้ไอ้ตัวนั้นเน่ยเป็นตัวที่ไอ้ตัวนี้เป็นตัวปรุงแต่งเราก็นั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนั่งอยู่เก็บๆเบนี่ยไม่ได้ปรุงแต่งจิตในทําอะไรไม่พยายามไปปรุงแต่งไปดูรู้เห็นอะไรไม่พยายามไปทำอะไรเป็นอะไรอยู่หยิบเงียบใจมันก็สงบและว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับความสงบและความว่างเปล่าในธรรมชาติ แล้วมันก็เห็นว่าภายในจิตใจที่เงียบสงบระว่างเปล่าเนี่ยก็มีจิตที่เกิดดับเกิดดับมีความคิดนั่นคือตอมปุงแกร่งเป็นเรื่องของเขาไม่เราไม่ต้องไปดูเขาแต่ไม่ต้องไปดูเขาไม่ต้องพยายามไปรู้เขาแต่มันก็รู้ขึ้นมาเองว่าในความสงบมีความเกิดดับในความไม่สงบแต่ไม่ต้องไปไล่ดูอะไรเลยรู้แต่เพียงว่าในความใจที่สงบระว่างเปล่าเหมือนเป็นหนึ่งเดียวธรรมชาตินั้นเนี่ย มีสิ่งมีกิริยาการของจิตเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับเหมือนกับตอนเนี้ยขณะนี้ในธรรมชาติไปเงียบสงบสงัดไปหมดอ่ะทางภายนอกอ่ะแต่ท่านดูสิธรรมชาติภายนอกเงียบสงบสงัดยังไงก็ตามมีเสียงจริงหรือจักระจัดเละหลายเสียงกบเสียงเขียรตร้อ ง, ละลงอะไรเงไง ห, หมดอนะ่ะท่าไม่ต้องไปเพ่งรู้เขาเลยเนี่ยดูสิเหมือนกับท่านรู้เนี่ยธรรมชาติ ในขณะ น, นี้บริเวณนี้ทั้งหมดมันเงียบสงบสงัดไปหมดอะแต่ในความเงียบสงบสงัดนั้นก็มีเสียงกบเสียงเขียดเสียงจิ้งหรีดเลยล ย, ลยเสียงจ้กระจาดได้ร้องเนี่ยดยที่ไม่ต้องไปเพ่งรู้เลยเนี่ยมันเป็นความรู้ตามธรรมชาติของธาตรู้รู้ว่าในความสงบมีความไม่สงบของเสียงสรรพสัตว์ทั้งหลาย ใจก็เหมือนกันเนี่ยแบบเดียวกันรู้แบบเดียวกั น, กบบ เ, กนเหมือนกับที่รู้ภายนอกเนี่ยเหมือนรู้ภายนอกท่านไม่ต้องไปเพ่งรู้อะไรเลยไม่ต้องพยายามไปรู้เสียงที่เกิดดับที่เคลื่อนไหวไม่ต้องพยายามไปรู้ตามดูตาม ร, ามรู้ตามเห็นเสียงที่เกิดดับที่เคลื่อนไหวเพียงแค่ كان, ท่านอยู่เงียบๆไปปรุงแต่งอะไรไม่หลงคิดต่อปรุงแต่งอะไรไปถ้าก็เนี่ยก็ ạ? สามารถสัมผัสได้แล้วว่าในธรรมชาติที่เงียบสงบสงัดเนี่ยมีเสียงสัปปะสัจร้องกันเกิดดับเกิดดับ แต่ก็ไม่ว่าสัมพัสที่ร้องเกิดดับเกิดดับยังไงก็ไม่ได้ทำให <find vain. S 2> <als> ้ธรรมชาติีเงียบสงบสงัดมัหายไปได้โดยที่ไม่ต้องไปเพ mm ่ง hmm. ด <in> ูเพ่งรู้หรือตามไล่ดูได้รู้ไล่ดับอะไรเลยเนี่ยธรรมชาติรู้อย่างรู้ธรรมชาติยังไงก็รู้ภายในใจอย่างนั้นนะเหมือนกันไม่ต้องไปเพ่งดูเพ่งรู้อะไรรู้ธรรมชาติในใจใจไม่เป็นเป็นความว่าเป็นความไม่เกิดดับเป็นความเงียบสงบสงัดเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติภายนอก แต่ภายในใจก็มีกิริยาการของจิตเกิดดับเกิดดับเหมือนกับเสียงสัพพสัตที่ร้องอย่างในขณะเนี่ยแต่แม้แต่กิริยาการของจิตจะเกิดดับอย่างไรก็ตามไม่ได้ทำให้ใจเนี่ยปราศจากความเงียบความสงบความสงัดความว่างเปล่าไปได้เลยจะเห็นอย่างนี้รู้อย่างเนี้ยโดยไม่ต้องว่าไปไล่รู้อะไรไปพยายามดูไปรู้เห็นอะไรไม่พยายามไปไล่ดับอะไรเพียงแต่แค่ว่า แค่อยู่ในกาไม่หลงปุงแต่งอะไรไปไม่พยายามไปทำอะไรให้เป็นอะไรมันก็รับรู้ขึ้นมาได้มันเป็นธรรมชาติของความรับรู้เป็นธรรมชาติของความรู้ก็รู้ขึ้นมาได้ยิ่งรู้ด้วยความปล่อยวางก็ยิ่งเบายิ่งสบายถ้ารับรู้ด้วยความปล่อยวางหมดใจก็เลยว่างเลยตอวนี้ก็แค่รู้อยู่อย่างนั้นแหละ ไม่มีไล่ไปไล่รู้ไล่ดูอะไรแค่รู้แค่รู้รู้ด้วยความปล่อยวางใจก็เลยว่างเปล่าใจว่างเปล่าก็แค่รู้ว่าใจว่างเปล่าและในความว่างเปล่าก็รู้เห็นได้รู้ได้เห็นได้เองว่าจุ๊กจุ๊กุก๊กจุกจุกจกจจุ๊อยู่ในใจตลอดเวลาแหละเหมือนกับตอนนี้ธรรมชาติเงียบสงบสงัดไปลมก็พัดมาเป็นระยะระยะลมก็เคลื่อนไหว แต่ก็ไม่ได้ทําให้ธรรมชาติที่เงียบสงบสงัดหายไปเสียงสับปสัตร์ร้องกันไอะไรเง่งหมดแต่ก็ไม่ได้ทําให้ธรรมชาติเงียบสงบสงัดหายไปเนี่ยรู้แบบเนี้ยรู้ธรรมชาติภายนอกยังไงก็รู้ธรรมชาติภ า, า, ายในอย่างนั้นเนี่ยอย่าทิ้งรู้อันนี้อย่าทิ้งรู้แบบเนี้รู้ไม่ยึดอะไรเลยรู้ไม่เอาอะไรเลยเรียกว่าปล่อยวางปล่อยวางยิ่งปล่อยวางก็ยิ่งวางเปล่าใจก็ยิ่งว่างเปล่าไม่เอาอะไรเลย <Right. S 1> ไม่ s. <S ยึดถืออะไรเลยไม่ใช่ปะ จะพยายามยึดถือสภาวะที่ว่างเปล่าแบกความว่างเปล่าไปอย่างเงี้ยอย่างนี้ยแน่นจุกขึดอัดเลยไม่ว่างเลยทันทีเพราะว่ามีผู้ยึดถือขึ้นมาทันทีเป็นกิเลสทันทีแต่ถ้ามายึดถือเลยไม่เอาอะไรเลยไม่ยึดถืออะไรเลยเม็แต่ความว่างเปล่าใจของท่านก็อยู่กับความว่างเปล่าไปเลยเป็นแต่ความว่างเปล่าไปตลอดกาลแต่ในใจที่ว่างเปล่าตลอดกาลนั้นก็มีจิตทีุ่กชุกุกชุกกแต่ไม่ว่าจิตใจจะมีความ คิดตึกตึกต้องตกแต่งกิริยาการอะไรยุ่ยิบยุ่งยิบตลอดเวลาแต่ก็ไม่ได้ทําให้ใจอ่ะอายจาความว่างเปล่ารับรู้ภายนอกอย่างไรในขณะปัจจุบันเนี้ยก็รับรู้ภายในใจอย่างนั้นรับรู้ภายในใจอย่างไรก็รับรู้ภายนอกอย่างนั้นเนี่ยสะเก็ดได้ดีๆแต่ไม่ได้ว่าต้องไปธรรมชาติภายนอกท่านไม่ต้องไปไล่รู้ไล่ดูไล่เห็นอะไรไม่ต้องพยายามไปดับอะไร แต่กรับรู้ได้ถึงเมื่อธรรมชาติมันเงียบสงบสงัดไปหมดเนี่ยแต่ในทางเงียบสงบสงัดเนี่ยสบายเนี่ยลมพัดมาเย็นสบายนั่งอยู่กับธรรมชาติลมพัดมาเย็นสบายนั่งอยู่ในทรากลางใต้ลมโพลมไสเสียงสรรพัตว์ก็นร้องกันอะไรเงี้ยหมดเสียงกบเสียงเขียดเสียงจรีเสียงอะไรต่างร้องกันแต่ธรรมชาติ มันก็ยังคงเงียบสงบสงัดเนี่ยเห็นว่าความเงียบสงบสงัดกับธรรมชาติที่เคลื่อนไหวเสียงที่เคลื่อนไหวลมที่พัดเคลื่อนไหวมันคนละอย่างคนละส่วนกันกับธ ร, รรมชาติที่ไม่เคลื่อนไหวถ้าสังเกตให้ดีๆเห็นไหมธรรมชาติที่เคลื่อนไหวลมพัดเคลื่อนไหวอู๊บอุ๊บเสียง e สัมภษัตรร้องเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่เคลื่อนไหวเกิดดับเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวลมพัดแรงพัดคล้อยพัดปานกลาง แต่ความเงียบความสงบความสงัดความว่างเปล่าของธรรมชาติจักรวาลก็คงยังเป็นความเงียบความสงบความสงัดของเขาอยู่อย่างนั้นแหละดังนั้นเนี่ยใจของท่านเนี่ยไม่เผลอคิดปรุงแต่งปรุงสร้างไม่พยายามไปทําอะไรเป็นอะไรจะอยู่กับเนี่ยอยู่กับความอยู่กับธรรมชาติแท้ๆที่ไม่ปรุงแต่งอะไรท่านก็จะสังเกตเห็นได้เองโดยไม่ต้องพยายามไปดูไปรู้ไปเห็นอะไรเลยไม่ต้องพยายามไปไล่ดับอะไรก็จะรู้ได้เห็นว่าเนี่ย ธรธรมชาติที่เงียบสงบสงัดกับธรรมชาติที่ปรุงแต่งที่เคลื่อนไหวเกิดดับเป็นคนละธรรมชาติกันเป็นคนละส่วนกันแต่ธรรมชาติที่เคลื่อนไหวเกิดดับคือลมที่พัดเสียงกบเสียงเขียดเสียงจริงหดีเสียงสรรพัตว์ร้องกันมันร้องที่ไหนมันเกิดดับที่ไหนเปลี่ยนแปลงไหนเมื่อเกิดดับเปลี่ยนแปลงอยู่ในธรรมชาติที่ว่างเปล่าที่เงียบสงบสงัดนี่แหละมันไม่ไปเกิดดับที่อื่นได้แล้ว ภายในจิตใจของเราเนี่ยธรรมชาติที่เปความรู้สึกนึกคิดอารมณ์จุกจิกจุกจิกจุกจิกวิกิริยาการต่างๆภายในใจยุกย like ิกจุกจิกจุกจิกภายในใจเนี่ยมันก็เกิดดับอยู่ในใจที่เงียบสงบสงัดและว่างเปล่าเหมือนก็ธรรมชาติอย่างเงี้ยมันไม่ได้เกิดขึ้นนอกได้หรอกพอรู้ธรรมชาติภายนอกอย่างไงก็รู้ธรรมชาติภายในใจอย่างนั้นแหละรู้แบบเดียวกันไม่ต้องพยายามไล่รู้ไล่ดูไล่เห็นไล่พยายามดับอะไรเนี่ยอยู่กับความรู้สึกตัวอยู่รู้สึกตัวก็ไม่ใช่ว่าพยายามไปทําความรู้สึกตัว อยู่กับความรู้อย่างเนี้ยรู้ข้างนอกอย่างไงก็รู้ข้างในอย่างนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องไปทําอะไรต้องพยายามไปทําอะไรเป็นอะไรเพีแต่อย่าเผลอขาดสติปุงแต่งปุงสร้างอะไรไปถ้าท่านฝึกในทํากายอย่างนี้เป็นแล้วฝึกต่อหน้าต้องตาเป็นแล้วต่อไปถ้ากลับไปถ้ากระทําเป็นอยู่ไหนก็ทําเป็นใจเงียบสงบสงบัด ส, สบายใจเป็นสุข ไม่ทุบไม่ร้อนอะไร น, นั่นแหละเกื่มธรรมชาติของใจที่ติดความยึดถือแต่ไม่ใช่ท่านพยายามจําสภาวะอันนี้ไว้แล้วอย่างเงี้ยยึดถือเลยใจก็ไม่ไม่เงียบไม่สงบไม่มีความสุขไม่มีความสบายเลยเพราะว่าพยายามจะยึดถือสภาวะไว้ให้ได้ใจพยายามจะจําให้ได้เพื่อกลับไปจะได้ทําได้จําได้อันนี้แยึดถือเลยกลายเป็นความยึดถือตัวเนี้ยแหละ แน่นจุกฝึดอัดไม่สบายเลยท่านเพียงแต่ฝึกมันให้ชานาญแล้วก็ท่าจะจำมันได้เองเนี่ยว่าอ๋อธรรมชาติไ <im ม <im ่ปร it> ุงแต่งมันเป็นอย่างนี้เองจําได้ไม่นจะว่าจําสภาวะได้แต่จําได้ว่าอ๋อธรรมชาติที่เราไม่หลงไม่ปรุงแต่งกับอะไรได้แต่แค่ศักดิ์ตะวรุมันเป็นแบบนี้เองโธสักด์ตะวรุมันเป็นแบบนี้เองคือศักด์ตะวารุเป็นไม่ใช่อะไรหรอกจำได้คือจําศักด์ตะวารูเป็นไม่ใช่ว่าจําสภาวะได้ แต่มันก็มันก็รู้ไปด้วยกันนั่นแหละคือสักตะวันรู้แล้วมันเป็นยังไงมันก็จะจำไปได้ด้วยกันนั่นแหละโอ้ตะันสักตะวันรู้หรือรับรู้ได้ใจที่ใจเป็นกลางไม้เข้ไปยึดบ้านถือมั่นอะไรรับจอแต่ว่ารับรู้อ๋อใจมันว่างเปล่ามันเป็นอย่างนี้เหรอในใจที่ว่างเปล่ามันก็มีจิตที่จุกจิกจุกจกจุกเกิดดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่านั่นเหรอไม่ต้องไปไล่ดูเกิดดับหรอกเป็นว่ามันจุกยิกจุกจิกมีอาการของจิตจุกจิกจุกจก อยู่ในใจที่ว่างเปล่าว่างก็มันจะเป็นความรู้สึกว่างคือใจที่สบายมีความสุขมีความสงบแต่ข้างในแม้แต่ใจสบายมีความสุขมีความสงบก็มีอาการยุ่งยิบยุ่งยของมันเน่ยแต่ไม่ไล่ต้องไปไล่ดูไล่รู้เลยนะการยุ่งยิบก็ไรหรอกไม่ต้องไป ไ, ไ, ล, นะๆๆไล่ไไไดับมันแล้วพยายามจําตำสภาวะใจที่มันเงียบสงบสงัดสบายใจเป็นสุขตรงนี้ไปนะได้แต่แค่ว่าสังเกตเห็นว่าอ๋อ พอเราเนี่ยรับรู้สิ่งใดด้วยใจที่สิ้นความยึดมั่นถือมั่นรับรู้ด้วยความปล่อยวางโอ้ใจมันเป็นความสุขความสงบความสบายอย่างนี้เองไม่ทุกข์ไม่ร้อนอย่างนี้เองอ๋อแบบนี้เองภายนอกก็แบบนี้เองรับรู้ภายนอกแบบนี้เองไม่ต้องไปไล่ดูไล่รู้ไล่เห็นไล่ละไล่ปล่อยไล่วางอะไรแล้วภายนอกก็เลยเงียบส ง, บสงบสงบสัดไปด้วยในท่ามกลางธรรมชาติเสียงสรรสัตว์ร้องกัน ธรรมชาติลมที่เคลื่อนไหวธรรมชาติของเสียงสัตว์ที่เคลื่อนไหวแต่ธรรมชาติของความว่างเปล่าของธรรมชาติไม่เคลื่อนไหวอยากให้ท่านเนี่ยได้ดูได้รู้ได้เห็นอย่างเงี้ยด้วยใจของท่านเองหรอที่นั่งอยู่เพื่อนท่านจะได้ทำเป็นท่านทำเป็นเสร็จแล้วกลับไปบ้านก็นทำเป็น อยู่ที่ไหนก็ทำเป็นทำไม่ใช่แบบพยายามไปทำอะไรหรอกเนี่ยมันรู้เป็นเรียกว่ารู้อยู่กับรู้เป็นอยู่กับรู้ไม่ไปอยู่กับสิ่งที่รู้อยู่กับรู้ไม่ไปอยู่กับคิดไม่ไปอยู่กับสิ่งปรุงแต่งอยู่กับรู้แต่แต่แค่รู้สักตะวัรู้ถ้ารู้เป็นจะแล้วอยู่ที่ไหนก็รู้เป็น